มนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและลุกเจดีบ้างเป็นสรณะนั่นมิใช่สรณะอันกเกษมเลยนั่นมิใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้ว ย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทาง มีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงรับทุกข์นั่นแหละเป็นสาระอันเกษมนั่นเป็นสาระอันสูงสุดเขาอาศัยสาระนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้พระพุทธพจน์ เราที่เกิดมาที่เรียกว่ามนุษย์แล้วก็สัตว์โลกทั่วไปเนี่ยต้องมีที่พึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีที่พึ่งมนุษย์เราจึงต้องสแสวงหาที่พึ่งโดยเฉพาะที่พึ่งทางด้านจิตใจที่พึ่งภายนอกนี่ก็อาศัยวัตถุอาศัยบุคคลแต่ว่า ที่พึ่งภายในนั้นมันอยู่ที่จิตใจต้องอาศัยสติปัญญาขึ้นอยู่กับว่าเราจะแสวงหาที่พึ่งกเกษมหรือไม่กเกษมเท่านั้นเองอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นกับทุกชีวิตเพราะบางครั้งเนี่ยมีปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเรา มันค้างคาใจเราเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตัวเราเองได้ด้วยสัญชตาตญาณอันนี้ขอให้คิดดูสนิดหนึ่งว่าปัญหาบางปัญหาเนี่ยใครก็แก้ไขกับตัวเราไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวของเราเองโดยเฉพาะปัญหาทางด้านจิตใจอย่างเช่นว่า ปัญหาที่เกิดจากความรักเกิดจากความโกรธความอึดอัดขัดเคืองคุนเคืองใจไม่สบายใจปัญหาอย่างเงี้ยใครก็แก้ให้กับเราไม่ได้เราจะต้องแก้ปัญหาที่ในตัวงเราเองแต่บางทีปัญหากว่าจะถูกแก้ได้นั้นเราจะต้องติดกับปัญหาติดกับอารมณ์ท่าจิตใจ หลายวันหลายคืนจนนอนไม่หลับเขาเรียกว่าติดอารมณ์ปัญหาที่เกิดจากความรักอารมณ์รักเนี่ ย, ยเขาเรียกว่าอะไรรักมันปักใจในติดอารมณ์ทางด้านความรักหรือความกโกรธความไม่พอใจเนี่ยที่มันคุกรุ่นอยู่ในจิตใจเรามันผูกจิตผูกใจเขาเรียกว่าผู ก, กโกรธเนี่ ย, ยผู ก, กโกรธ เราก็ติดอยู่ในอารมณ์กโกรธออกจากอารมณ์นี้ไม่ได้หลายวันกว่าจะออกจากอารมณ์นี้ได้ถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมเจริญสติอาจจะติดอยู่อารมณ์นี้ได้ไม่นานส่วนคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือไม่รู้จักอารมณ์ไม่รู้เท่าทันอารมณ์อารมณ์นี้ก็จะค้างคาใจายอยู่นานยากที่จะออกจากอารมณ์นี้ได้ เราจะไม่มีใครหรอกที่จะสามารถเขี่ยอารมณ์นี้ออกจากจิตใจเราหรือดึงจิตดึงใจเราให้ออกจากอารมณ์ที่มันค้างคาใจนั้นนะก็นอกจากตัวเราเองที่จะต้องจัดการด้วยตัวของเราเองตรงนี้ละ่ะเราจึงต้องการที่พึ่งคือที่พึ่งทางานจิตใจแล้วก็ที่พึ่งทางานจิตใจนั้น ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับธรรมะธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจที่เรียกว่าเป็นที่พึ่งอันเกษ ร, รโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยถือว่าเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากทรมีอุปการะมากก็คือสติสัมปชัญญะเราจะต้องสแสวงหาให้มีขึ้นในจิตใจเรามากๆ การสแสวงหาที่พึ่งนั้นเราต้องหาด้วยตัวเราเองเนี่ยตึจัดแน่นอนกว่าโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเราต้องทำด้วยตัวเราเองเพราะเป็นการปฏิบัติที่เฉพาะตนเป็นการปฏิบัติส่วนตัวก็ว่าได้เราจะทำให้ใครไม่ได้ใครก็ทำให้กับเราไม่ได้ตัวใครก็ตัวเราทำเอาเอง ผู้ปฏิบัติเจริญสติเนี่ยจะหวังพึ่งคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยต้องพึ่งตัวเราเองอันนี้จึงเรียกว่าเป็นการแสวงหาที่พึ่งเวลาเราปฏิบัติธรรมหรือเจริญสติเนี่ยเมื่อได้พบกับอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆเราก็ต้องแก้ปัญหาในตัวของเราเองแก้ไขอุปสรรคในตัวของเราเองคนอื่นเป็นเพียงแค่ผู้ที่ ให้แง่คิดให้กำลังใจหรือเป็นกัลยาณมิตรนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตัวของเราเองโดยการที่มีสติตามรู้ลงไปที่กายของเราแล้วก็ที่จิตของเรามีสติดูกลายเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆ จะนอนจะนั่งจะยืนจะเดินอันนี้อิเลยาบทใหญ่จะค้จะเหยียดจะก้มจะเงยอันนี้เรียกว่าอิเลยาบทย่อยเราก็ต้องมีสติตามรู้ไปอันนี้ว่ารู้กายต่อไปก็คือรู้จิตรู้จิตที่จิตของเรานะก็ต้องมีสติตามรู้ลงไปที่จิตความรู้สึกนึกคิดต่างๆ แล้วก็อารมณ์ต่างๆที่มากระทบจิตใจของเราต้องฝึกให้ชำนาญเราต้องกล้าที่จะเผชิญกับอารมณ์เหล่านั้นไม่ต้องหนีแล้วก็ไม่ต้องขับไล่อารมณ์ต่างๆหรือไปห้ามไม่ให้อารมณ์มือความคิดมันเกิดขึ้นในจิตใจของเรา ต้องกล้าที่มีสติไปเจอหน้ากับอารมณ์นี่เรียกว่านักเลงธรรมะนักเลงธรรมะนี่ไม่หนีอารมณ์นะต้องกล้าไปเจอกับอารมณ์อาศัยสติสามาัญชะนี่แหละเป็นเครื่องมือสกัดกั้นอารมณ์ออกไปจากจิตใจเราเพราะเราติดอารมณ์นี่มานานความรักความชังเราติดมานานจึงต้องมีสติ รู้เท่าทันเอาไว้ต้องฝึกให้ชนานาญฝึกมีสติตามรู้กายรู้จิตให้ชนานาญเราจะได้ไปไปฏิบัติที่ไหนก็ได้อุปมาว่าเราขับรถไม่เป็นแต่ต่อมาเราฝึกจนขับรถเป็นเราก็ไปขับรถที่ถนนไหนก็ได้ เราไหว้น้ำไม่เป็นเราฝึกจนไหว้น้ำเป็นต่อไปเราก็ไปไหว้น้ำที่สะไหว้น้ำไหนก็ได้การเจริญสติก็เช่นเดียวกันขอให้เราทำให้เป็นซะก่อนทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกปฏิบัติให้เป็นเจริญสติให้เป็นเราไปอยู่ที่ไหนเราก็เจริญสติได้สมมุติเราต้องตายไปจากภพชาตินี้ ไม่ต้องสมมุตินะตายจริงๆออกไปต้องตาจริงๆเราอธิษฐานว้เล ย, เ, ลยเราไปเกิดพบชาติไหนก็ตามขอให้เราเจริญสติให้เป็นเราจะได้ที่พึ่งดูในปัจจุบันดีๆเถอะยัติธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมไม่เป็นเจริญสติไม่เป็นในแต่ละวันชีวิตปัจจุบันเนี่ยพอเจอปัญหานี่ก็ติดอารมณ์ออกจากอารมณ์ไม่ได้ออกจากอารมณ์รัก อารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์กลัววิตกังวลอิจฉาษยาไม่มีสตินำจิตออกจากอารมณ์เหล่านั้นก็ติดอารมณ์ร่ำไปจนนอนไม่หลับเป็นโรคจิตโรคประสาทเพราะขาดที่พึ่งคือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่าน ฟ, ฟังทุกท่านเนี่ยปฏิบัติให้เป็นทำให้เป็น เราจะได้ที่พึ่งทางดาน จ, จิตใจที่พึ่งทางจิตคือการเจริญสติการเจริญสติคือธรรมะธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งอันกเกษมธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งอันปลอดภัยที่พึ่งอันกเกษมก็คืออะไรคือที่พึ่งที่ปลอดภัยพ้นภัยทําให้ชีวิตมีความสุขดังที่ รุธเจ้าท่านตรัสว่าขอให้เธอจงมีธรรมะเป็นที่เกาะจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเธอ